ชีวิตของพวกเราทุกคนมีความทุกข์ติดตัวมามีความทุกข์เป็นเงาติดตัวชีวิตของพวกเราทุกคนเพราะว่าเมื่อเราเกิดแล้วเมื่อเรามีร่างกายแล้วเราก็ต้องมาคอยดับความทุกข์ทางร่างกายกันทุกวันนี้ที่เรา ต้องทำมาหากินก็เพราะว่าถ้าเราไม่มีกินร่างกายเราก็ต้องทุกข์เราก็ไม่ต้องการความทุกข์ทางร่างกายกันเราก็เลยต้องมาทามาหากินกันมาหาปัจจัยสี่เพื่อมาดับความทุกข์ทางร่างกายกันถ้าไม่มีร่างกาย เราก็จะไม่มีความทุกข์ทางร่างกายถ้าเรามีร่างกายเราก็ต้องมีความทุกข์ทางร่างกายแต่ทำไมเราจึงต้องมีร่างกายกันก็เพราะว่าเรามีความต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆให้กับเรานั่นเอง เราต้องการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการที่เราจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่างๆได้เราก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายมีตาไว้ดูรูปมีหูไว้ฟังเสียงมีจมูกไว้ดมกลิ่นมีลิ้นไว้ลิ้มรส มีร่างกายไว้สัมผัสความรู้สึกต่างๆที่มาสัมผัสกับทางร่างกายเช่นอุณหภูมิความร้อนความเย็นของนุ่มของแข็งต่างๆ <c oughs> นี่คือสิ่งที่ใจของพวกเราทุกคนมีความอยากมีความหิวโหย เป็นเหมือนคนที่ติดยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดจะต้องไปหายาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาที่ไม่มียาเสพติดจะมีความรู้สึกทุกข์ทรมานใจพวกเราก็เหมือนกันเวลาที่เราไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะเราจะมีความรู้สึก หดเหงียดนำขาญใจไม่มีความชื่นอกชื่นใจสบายอกสบายใจสังเกตดูเวลาที่เราต้องอยู่บ้านไม่สามารถออกไปข้างนอกบ้านได้จะมีความรู้สึกหดเหงียดนำขาญใจเวลาเราได้ออกไปนอกบ้านได้ไปดูไปฟังไป ริมรถ ด, ดมกลิ่นอะไรต่างๆเราจะมีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานกันเราจึงชอบไปเที่ยวกันไม่ชอบถูกขังอยู่ในบ้านไม่มีใครชอบติดคุกกันเพราะเวลาติดคุกมันทรมานใจติดคุกแล้วมันไม่ได้เสบรูปเสียงกดลิ่นรถต่างๆนั่นเองไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปดูไปฟัง ไปดูละครไปดูภาพยนต์ไปดูสถานที่ต่างๆไปทำอะไรต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือใจของพวกเรามีความอยากที่คอยคอยผลักดันคอยสร้างความหงดหงิดนำคาญให้แก่ใจ คอยบังคับให้ใจไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพเหมือนคนที่ติดยาเสพติดเวลาไม่มียาเสพติดเสพนี่จะรู้สึกทรมานใจแต่พอได้ไปหายามาเสพความทรมานใจก็จะหายไปแต่มันหายไปชั่วคราว เวลาที่ฤทธิ์ของยาเสพติดยังมออีอิทธิพลอยู่ความสบายที่ได้เสพยา ก, ก็ยังมีอยู่แต่พอฤทธิ์ของยาเสพติดจางหายไปแล้วทีนี้ความอยากเสพยาเสพติดใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาถ้ายังไม่ได้เสพก็จะมีความรู้สึกงดเกงีดไปจนกว่าจะได้เสพ ความรู้สึกโกรธเกลีทรมานใจต่างๆจึงจะหายไปได้ น, นี่คือลักษณะของใจของผู้ที่มีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆใจจึงต้องมีร่างกายใจจึงต้องมาเกิดต้องไปรอรับร่างกายของพ่อแม่ เวลามีพ่อแม่ร่วมร่วมหลับนอนกันมีการประสมพันกันมีเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มารวมตัวกันก็จะก่อตัวขึ้นมาเป็นร่างกายขึ้นมาใจที่ไม่มีร่างกายใจที่เสียร่างกายอันเก่าไป ที่อยู่ในลักษณะของดวงวิญญาณไล่ร่อนดวงวิญญาณไล่ร่อนรอาหาร่างกายอันใหม่พอมีร่างกายอันใหม่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใจก็จะไปเกาะติดกับร่างกายอันนั้นทันทีแล้วก็จะรอให้ร่างกายนั้นจเจริญเติบโตพอคลอดออกมาจากท้องแม่ได้ก็จะเริ่มใช้ร่างกาย เป็นเครื่องเบือหาความสุขทันทีสังเกตเด็กที่คลอดมาใหม่ๆนี่จะร้องไห้อยู่เรื่อยๆพ่ออยากจะได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้นั่นเองอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรอยากจะกินอะไรอยากจะดื่มอะไรก็ร้องไห้พ่อแม่ก็ต้องคอยหาสิ่งที่ทารกต้องการ ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ต้องร้องไห้แต่มีความอยากแล้วมันทำให้มีความหงุดหงิดนำคาญใจเริ่มตั้งแต่ตอนที่เป็นทารกเลยเด็กทารกทุกคนนี้จะต้องร้องกระจอกงองเนี่ยอยู่เรื่อยๆเพราะมีความอยากดูอยากฟังอะไรอยู่เรื่อยๆก็เลยต้องคอยร้องอยู่เรื่อยๆถึงจะได้บางทีก็ อยากจะดื่มน้ำก็ร้องอยากจะรับประทานอาหารก็ร้องอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ร้องเราจึงมักมีของเล่นมาคอยอคอยตอบสนองความอยากของของทารกมีของเล่นให้ดูมีของเล่นให้ได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงได้เห็นอะไรทารกก็ไม่ร้อง ทารกก็เล่นไปกับของเล่น <c oughs> นี่คือใจพอได้ร่างกายมาแล้วก็จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆเพื่อที่จะได้มากำจัดความหงุดหงิดลำคาญใจที่เกิดขึ้นจากการมีความอยากต่างๆนี่เองแต่การมีร่างกายนี้มันก็เป็นปัญหาเพราะร่างกายนี้ มันจะต้องคอยเลี้ยงดูมันนั่นเองถ้าร่างกายไม่ได้รับการเลี้ยงดูร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาตายได้ผู้ที่ได้ร่างกายก็เลยต้องมาคอยบำบัดความทุกข์ทางร่างกายกันต้องมาคอยหาอาหารหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกาย พรถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่ร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้ร่างกายต้องมีอาหารต้องมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยไว้หลบหลบภัยต่างๆหลบแดดหลบฝนหลบภัยจากบุคคลหรือสัตว์ต่างๆนี่คือความทุกข์ ของทางร่างกายที่ใจเราต้องมาคอยบำบัดอยู่ตั้งแต่เกิดมาไปจนถึงวันตายนี่คือเรื่องของการเกิดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องมีความทุกข์ตามมาถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็ต้องไม่เกิดเท่านั้น ถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องเดินนรนหาสิ่งต่างๆมาเลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องมีอาหารไม่ต้องมีเครื่องนุ่งหม่มไม่ต้องมียารักษาโรคไม่ต้องมีที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นความทุกข์ของร่างกายที่ผู้ที่มีร่างกายจะต้องเจอกันทุกคน ทุกในการที่จะต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ไปเพื่อที่จะได้รับใช้ความต้องการของใจถ้าใจไม่มีความต้องการที่จะใช้ร่างกายใจก็จะไม่มามีร่างกายกันเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวลกนี่ท่านได้หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของท่าน จนหมดสิ้นไปแล้วท่านไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสอะไรผ่านทางร่างกายท่านก็เลยไม่ต้องมีร่างกายแต่ถ้าผู้ที่ยังไม่ได้กําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ความอยากนี้ก็จะพาให้มามีร่างกายกัน แล้วก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายนอกจากทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ยังมาทุกข์กับความแก่ของร่างกายทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายและทุกข์กับความตายของร่างกายสรุปแล้วการมาเกิดนี้ก็เป็นการมาหาความทุกข์นั่นเองไม่ได้มาหาความสุขกัน แต่ความหลงของใจไปถูกไปหลอกใจให้คิดว่าการได้มาเกิดนี้จะได้มีความสุขกันเพราะเมื่อได้มีมาเกิดแล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายก็จะได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัมาเสพได้นี่คือปัญหาของ สัตว์โลกผู้ที่ยังไม่มีปัญญายังไม่รู้ว่าการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นการหาความทุกข์กันไม่รู้ว่าการหาความสุขแบบที่ไม่ใช้ร่างกายนี้เป็นอย่างไรนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าสักคนหนึ่ง ที่จะมาตัดสู้ว่าใจของพวกเราทุกคนนี้สามารถหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมาเกิดแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้จะไม่มีใครในโลกนี้รู้ความจริงอันนี้เลยรู้ความจริงว่า มีความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือและเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ได้มาแล้วจะไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายเป็นความสุขชัว่วคราว เป็นความสุขไม่นานได้มาแล้วเดี๋ยวความสุขนั้นก็หายไปเราจึงต้องคอยหาความสุขมาเพิ่มมาเติมอยู่เรื่อยๆวันนี้เราไปเที่ยวกันเราได้ความสุขจากการไปเที่ยวกันพอเรากลับมาบ้านความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวมันก็หายไปหมดอยู่บ้านได้ไม่กี่วันเราก็จะรู้สึกเบื่อ จะรู้สึกอยากจะออกไปเที่ยวกันอีกเพราะความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวคราวที่แล้วมันหายไปหมดแล้วก็ต้องไปเติมกันเราจึงต้องคอยไปเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆคอยไปทำตามตามความอยากต่างๆอยู่เรื่อยๆถ้าอยากดูก็ต้องไปดูอยากฟังก็ต้องไปฟังอยากไปลิ้มรส ด, ดมกลิ่นก็ต้องไปลิ้มรส ด, ดมกลิ่น เวลาได้ทำก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วไม่นานความสุขใจที่ได้จากการกระทำเหล่านี้ก็จางหายไปเราก็ต้องทำใหม่ทำอย่างนี้มาตั้งแต่วันเกิดและจะทำอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะไม่สามารถทำได้คขื่อเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ในเวลาที่ร่างกายตายไป เ, ออเวลานั้นก็จะกลายเป็นวันแห่งความทุกข์ไม่ใช่วันแห่งความสุข เ, ออเพราะเมื่อเราไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ เ, ออเป็นสิ่งที่จะให้ใจได้เสพได้สัมผัสนั่นเองเออนี่คือปัญหา ที่เกิดจากการมีความอยากต่า ง, างๆภายในใจนะพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทรงค้นพบว่าวิธีที่จะทําให้ความอยากต่างๆหายไปนะก็จะต้องมีการหยุดความอยาก น, นั่นเองคือต้องฝืนความอยากต้องไม่ทําตามความอยากนะถ้าทําตามความอยากความอยากจะ ขยายตัวจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้คืบก็อยากได้สอกได้สอกก็อยากจะได้วาความอยากนี้พระพุทธเจ้า บ, บอกว่าไม่มีขอบเขตเหมือนไม่เหมือนกับทะเลหรือมหาสมุทรมหาสมุทรหรือทะเลนี้ถึงแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝั่ง แต่ความอยากนี้มันจะไม่มีขอบไม่มีฝั่งมันจะเพิ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆสมัยตอนที่เราเป็นเด็กๆเราได้วันละไม่กี่บาทเราก็มีความสุขได้แต่พอเราโตขึ้นมาไม่สามารถมีความสุขได้กับเงินที่เรามีในตอนที่เราเป็นเด็กๆเราต้องมีเพิ่มมากขึ้น แล้วมีมากเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอกับใจนั่นเองมีแต่จะเพิ่มความหิวความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาเห็นโทษของความอยากกัน พวกเรานี้ไม่เห็นโทษกันพวกเรากับเห็นคุณของความอยากเพราะคิดว่าถ้าเราไม่อยากเราจะไปหาความสุขได้อย่างไรเราต้องอยากเที่ยวก่อนเราถึงจะไปเที่ยวกันพอเราไปเที่ยวแล้วเราก็เกิดความสุขขึ้นมาจากการไปเที่ยวแต่เราไม่รู้ว่าพอเรากลับมาบ้านแล้วความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวมันก็หายไป แล้วความอยากเที่ยวใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วถ้าเวลาใดที่เราไม่สามารถไปเที่ยวได้เวลานั้นความทุกข์ก็จะตามมาส่วนนี้เรามองไม่เห็นเราเห็นแต่ส่วนที่เราได้เวลาที่เราได้ความสุขคือเวลาที่เราได้ทำอะไรตามความอยากต่างๆเราจะมีความสุขกัน เราก็เลยไปเห็นขุนของความอยากว่าถ้าไม่มีความอยากเราก็จะไม่มีความสุขกันเพราะความอยากเป็นเหตุทำให้เราไปทำสิ่งที่เราอยากทำพอเราได้ทำแล้วเราก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่เราไม่มองอีกด้านหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งมองเวลาที่เราอยากแต่เราไม่สามารถทำตามความอยากได้ เชนเราอาจจะไม่มีเงินทองที่จะไปเที่ยวไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อของที่เราอยากซื้อทีนี้ควา ม, มความรู้สึกไม่ดีก็จะเกิดขึ้นมาในใจหรือบางทีก็รู้สึกเสียใจอยากได้อะไรแล้วไม่ได้นั่งใจอยากก็เสียใจบางทีก็น้อยใจ บางทีก็เศร้าใจซึ่งก็เป็นความทุกข์ในรูปแบบต่างๆเหมือนกันผลที่เกิดจากการไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้กันเราไม่เคยมองในมุมกลับเลยว่าถ้าเราเวลาไม่มีความอยากนี่เราจะรู้สึกไม่เดือดร้อนเลยเวลาเราจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรเช่นตอนนี้คนที่อยากจะเป็นสอสอเนี่ย เวลาไม่ได้เป็นเนรู้สึกอย่างไรบ้างแต่คนที่ไม่ได้อยากเป็นสอสออย่างพวกเรานี้เรารู้สึกอย่างไรบ้างเรารู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนเป็นหรือไม่เป็นก็เท่ากันเพราะเราไม่ได้อยากเป็นแต่คนที่อยากเป็นเนี่ยเดือดร้อนเวลาไม่ได้เป็นนี่ยก็เสียใจซึมเศร้าไป แต่กล่าวแต่คนที่ได้เป็นก็จะดีอกดีใจตื่นเต้นกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ก็เป็นความรู้สึกชั่วคราวเดี๋ยวเวลาผ่านไปไม่นานความรู้สึกตื่นเต้นดีอกดีใจจากการได้เป็นสสก็หายไปทีนี้ความเป็นสสมันก็จะมีเรื่องให้เข้ามาปวดหัวต่อไป หรือมีความอยากใหม่มาล่อใจอีกพอได้เป็นสอสอแล้วทีนี้โอกาสที่จะเป็นรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วีนี้ความอยากจะเป็นก็จะทําให้ใจเริ่มกระตือรือร้อนขึ้นมาใหม่อีกรอบนะได้เป็นสอสอได้สุกไปไม่กี่วันเดี๋ยวก็ต้องมาวุ่นวายมากระตือรือร้อนมาวิ่งเต้นกับการ รับตำแหน่งต่างๆกันอีกแล้วถ้าไม่ได้รับตำแหน่งที่อยากได้ก็เสียใจอีกน้อยใจ อ, อันนี่คือปัญหาของความอยากมันจะต่อยอดไปเรื่อยๆได้คืบแล้วก็จะรัเอาศอกะตอนต้นก็ขอเป็นสสก่อนพอเป็นสสแล้วก็ขอเป็นรัฐมนตรีเอขอเป็นนายกพอเป็นแล้วก็ขอให้เป็นหลายสมัยอีกเอ ไม่มีไม่มีวันหยุดไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็จะต้องผิดหวังวันใดวันหนึ่งเพราะไม่มีใครที่จะได้สิ่งที่ตนเองต้องการเสมอไปไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอวันผิดหวังวันที่จะทําให้เสีย อ, อกเสียใจน้อย อ, อกน้อยใจขึ้นมาแต่ก็ไม่เข็ดเดี๋ยวพอมีการเลือกตั้งใหม่ก็เอาใหม่อีกนี่คือวัฏจักรของใจเป็นอย่างนี้ ถึงแม้จะเจ็บช้ำน้ำใจเสียอกเสียใจไปเดี๋ยวไม่นานมันก็ลืมเดี๋ยวแผลหัวใจก็หายไปแล้วก็พอมีโอกาสก็จะอยากขึ้นมาใหม่อีกนอกจากว่าไปเสียใจแบบสุดๆไปเสียใจแบบนานๆอันนี้ก็อาจจะทําให้อยากจะฆ่าตัวตายก็มี คนที่ไปเจอความเสียใจนานๆเช่นไปเจอโรคภัยไข้เจ็บร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หายพิกลพิการเป็นอมภะกรรมภาตทำอะไรเองไม่ได้ตอนนั้นก็อาจจะมีความเสียใจไม่สบายใจเป็นเวลาอันยาวนานจนอาจจะทนไม่ไหว ก็อยากจะฆ่าตัวตายกันสมัยนี้เขาจึงมีความพยายามที่จะให้การฆ่าตัวตายด้วยการช่วยเหลือของแพทย์เป็นการกระทําที่ถูกกฎหมายที่เรียกว่าการุญยาฆาตนี่ฆ่าด้วยความเมตตาฆ่าด้วยความกรุณาแต่ตามหลักของาศาสนานี้ไม่มี การฆ่าไม่ว่าจะฆ่าด้วยแบบไหนก็ตามถือว่าเป็นการกระทําที่โหดเหี้ยมเป็นการกระทําที่ไร้ความเมตตากรุณาเป็นบาปเป็นการกระทําที่จะทําให้ผู้กระทําบาปนี้จะต้องทุกข์และจะต้องไปเกิดต่อไปในภพที่ไม่น่าจะไปเกิดคือไปเกิดในอบายอันนี้ถ้าไม่ได้ศึกษาทางาศาสนา จะไม่เชื่อเพราะไม่เห็นว่าผู้ที่ทําบาปนั้นเป็นใครและผู้ที่ทําบาปที่จะไปรับผลบาปนั้นคือใครเพราะเห็นเพียงแต่ร่างกายเห็นว่าผู้กระทาบาปคือร่างกายและผู้ที่จะไปรับผลบาปก็เวลาตายไปแล้วก็จะก็หายไปกลายเป็นดินน้ําลมไฟไปก็ไม่รู้ว่าจะมีใครไปรับผลบาปต่อไป ก็จะไม่มีความกลัวบาปกันเพราะไม่เชื่อว่ามีผลของบาปตามมาหลังจากที่ตายไปแล้วหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าเป็นดวงวิญ ญ, ญาณก็จะเป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่เต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยถ้าไปเกิดก็จะไปเกิดจะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานอันนี้ไม่มีใคร รู้ใครเห็นนอกจากพระพุทธเจ้ากับพระสาวกของพระพุทธเจ้าเนอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นเราต้องอาศัยความเชื่อก่อนเชื่อในผู้ที่รู้ผู้เห็นเชื่อว่าเราเป็นเหมือนคนตาบอดส่วนพระพุทธเจ้าพระสาวกนั้นเป็นเหมือนคนตาดี คนตาดีย่อมเห็นอะไรต่างๆที่คนตาบอดมองไม่เห็นคนตาบอดจึงต้องอาศัยคนตาดีเวลาจะทำอะไรทำด้วยตนเองไม่ได้เพราะมองไม่เห็นอะไรต่างๆต้องอาศัยคนตาดีบอกว่าของที่เราต้องการอยู่ตรงไหนสิ่งที่เราต้องการวางไว้ตรงไหนทางที่เราจะต้องการเดินไป ต้องเดินไปทางไหนมีอะไรเป็นอุปสรรคขวางกั้นอยู่หรือไม่ถ้าเราไม่มีคนตาดีคอยบอกเราก็จะไม่สามารถทำอะไรให้ถูกต้องได้ไม่สามารถเดินไปได้ทางที่เราต้องการจะไปได้นี่คือสิ่งที่เรากับผู้ที่รู้อย่างพระพุทธเจ้านั้น มีความแตกต่างกันแตกต่างกันตรงที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่ละเอียดกว่าสิ่งที่ตาของเราจะมองเห็นได้ตาของเรามองเห็นได้แต่รูปต่างๆรูปที่เราเห็นด้วยตาคือสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุเป็นสิ่งของเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แต่สิ่งที่ละเอียดกว่านั้นเรามองไม่ได้ เช่นกระแสวิทยุนี่เรามองไม่เห็นกันวิทยุมือถือเครื่องมือถือของเรานี้จะมีการส่งกระแสรับกระแสวิทยุกันอยู่ตลอดเวลาเวลาเราพูดปั๊บ เ, เสียงของเราก็จะถูกแปลเป็นกระแสวิทยุเราก็ส่งไปอีกเครื่องเครื่องรับเครื่องรับพอรับกระแสวิทยุของเสียงเราก็เข้าไปแปล กระแสวิทยุให้กลายเป็นเสียงออกมาทางลำโพงอีกทีนะึ่งอันนี้เป็นเสียงที่เรามองไม่ได้ด้วยตาเปล่านักวิทยาศาสตร์นี้เขาต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะวัดเสียงเหล่านี้ได้วัดกระแสวิทยุได้มีเครื่องรับมีเครื่องส่งกระแสวิทยุได้ฉันใดเรื่องของใจของพวกเราก็เป็นเหมือนกับกระแสวิทยุนี่ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ถ้าเราศึกษาเราก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่มีร่างกายเราไม่มีใจจิตไม่มีจิตใจเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราทำกันนี้เราต้องใช้จิตใจเป็นผู้สั่งการเราใช้ร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งเวลาเราจะมาวัดนี้ เราต้องนึกก่อนเราต้องคิดก่อนผู้คิดนี้แหละไม่ใช่ร่างกายผู้คิดนี้ตามที่ผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าทรงตัดสรูุนี้ท่านบอกว่าไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอย่างที่เราคิดกันนักวิทยาศาสตร์เขาจะคิดว่าความคิดอยู่ในสมองสมองเป็นผู้คิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวตามความคิดของสมอง อันนี้ตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงคพพน้นพบนี่ไม่ได้เป็นสมองผู้สั่งให้ร่างกายคิดผู้ไม่ได้เป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้เรียกว่าจิตใจที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่อีกส่วนหนึ่งอยู่เอกที่หนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิพย์เนี่ย จิตใจกับร่างกายนี้เชื่อมต่อกันด้วยกระแสของความรู้สึกนึกคิดที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณมีอยู่ห้าเส้นด้วยกันที่มาเชื่อมต่อกับร่างกายคือมาเชื่อมที่ตาหูจมูกลิ้นกายวิญญาณที่มาทางตาเราก็เรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่มาทางหูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณ มีวิญญาณอยู่ห้าเส้นด้วยกันที่มาคอยรับข้อมูลที่ตาหูจมูกนิ้นกายได้รับมาตารับรูปหูรับเสียงจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสร่างกายรับสัมผัส ต, ต่างๆพออะไรมาแตะที่ตาหูจมูกลิ้นกายปั๊บมันก็จะส่งไปให้ที่ใจเป็นผู้รับรู้ทันที พอใจรับรู้แล้วใจก็เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําตามทําความต้องการของใจทันทีถ้าใจอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสที่ร่างกายไปเห็นก็สั่งให้นัไปเอามาเช่นเวลาเราเดินไปตามห้างตามร้านต่างๆพอเห็นของที่ถูกใจถูกอกถูกใจใจก็จะสั่งซื้ออันนี้เลย ถามเลยราคาเท่าไหร่ต่อได้ก็ต่อต่อไม่ได้ก็ไม่ต้องต่อผู้สั่งนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้สั่งนี้คือใจไม่ใช่สมองไม่ได้อยู่ในร่างกายผู้สั่งนี้อยู่อีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าโลกทิพเหมือนกับสมัยนี้เราส่งยาหน่วอากาศไปสู่โลกพระจันทร์แต่เราติดต่อกับยานวอากาศได้ โดยที่เราไม่ต้องอยู่ในยานอวากาศเราสั่งยานอวากาศให้ทํำลายต่างๆผ่านกระแสวิทยุยานอวากาศจะมีเครื่องรับวิทยุรับคําสั่งของผู้ควบคุมยานอวากาศที่อยู่บนโลกนี้สามารถสั่งให้ยานอวากาศขับเคลื่อนขึ้นลงจากพื้นผิวดวงพระจันทร์ได้แต่ ผู้ที่ควบคุมสั่งการนี้ไม่ได้อยู่ในยานอวกาศใจก็เป็นแบบนี้ใจกับร่างกายก็เป็นเหมือนผู้ควบคุมกับยานอวกาศร่างกายนี้เป็นเหมือนยานอวกาศส่วนใจนี้เป็นเหมือนผู้ควบคุมยานอวกาศเวลาร่างกายเป็นอะไรก็เป็นเพียงแต่ร่างกายไม่ได้เป็นอะไรไปกับผู้ควบคุมยานอวกาศ เหมือนกับเวลายานวากาศเสียรหรือเป็นอะไรไปเกิดระเบิดขึ้นมาก็ระเบิดเพียงแต่ยานวากาศแต่ไม่ได้มาระเบิดที่ผู้ควบคุมยานวาตถนะ์อันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละอย่างกันเป็นคนละส่วนกันมีความสัมพันธ์กันด้วยการ มาเชื่อมต่อกันด้วยกระแสจิตกระแสวิญญาณแล้วก็ผู้ที่สั่งการก็คือใจผู้ที่รอรับคำสั่งก็คือร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์เป็นเหมือนยานอวากาศที่รอรับคำสั่งของผู้ขับขี่ ผู้ขับขี่ยานผู้ขับขี่รถยนต์สั่งให้รถยนต์วิ่งรถยนต์ก็วิ่งสั่งให้รถยนต์จอดรถยนต์ก็จอดเนะี่ยผู้ที่สั่งการนี้แล้วเป็นผู้กระทํำนะผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําบุญทําบาปนี้ก็คือใจและผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปก็คือใจไม่ใช่ร่างกายดัยงนั้นเวลาที่ร่างกายตายไปนี้ ผลบุญผลบาปยังไม่หายไปกับร่างกายเพราะผลบุญผลบาปนี้มันไปอยู่ที่ใจแล้วอยู่ตั้งแต่เวลาทําเลยพอทําบุญบปั๊บผลของบุญก็ปรากฏขึ้นในใจพอทําบาปปั๊บผลของบาปก็จะปรากฏขึ้นไปภายในใจและจะมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของใจต่อไปจะทําให้ใจอยู่แบบ สุขหรืออยู่แบบทุกข์ก็อยู่ที่บุญหรือบาปที่ใจได้ทําผ่านทางร่างกายนี้เองนี่แหละคือผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่จะต้องเป็นผู้รับผลบุญผลบาปต่อไปและเป็นผู้ที่คอยมาเกิดอยู่เรื่อยๆก็คือใจนี่งั้นใจนี่มีอยู่ปัญหาอยู่สอง สองสามปัญหาด้วยกันคือปัญหาของความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบาปปัญหาของความทุกข์ใจที่เกิดจากการมีความอยากมีความอยากเวลามีความอยากใจก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความทรมานใจขึ้นมาเวลาทำบาปใจก็ร้อนขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมา และเวลาที่ไม่ได้ทำบุญก็จะไม่มีความรู้สึกมีความสุขปัญหาของใจจึงต้องได้รับการเยียวยาอยู่สาวิธีด้วยกันตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราต้องละการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อจะได้แก้ปัญหาความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบาปเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม เพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับใจและสาเราต้องชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราต้องกําจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความทรมานใจที่เป็นตัวพาให้ใจต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เพราะนี้เป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆเราจะรู้ได้เพียงเรื่องของร่างกายเท่านั้นเองแล้วก็รู้แบบไม่สมบูรณ์รู้แบบผิดผิดถูกถูกเราจึงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของเราได้โดยเฉพาะปัญหาทางใจปัญหาทางร่างกายเราก็แก้ได้ในระดับที่แก้ได้คือ คอยเลี้ยงดูให้ร่างกายอยู่ไปตามอัตภาพได้แต่เราจะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้เราจะไม่ทาเราจะทำให้คนนี้อยู่ไปแบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เราทำไม่ได้กันการแก้ปัญหาทางร่างกายก็ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแก้ปัญหาแบบแบตเสร็จ แก้ปัญหาทางร่างกายได้ก็ยังมีปัญหาทางใจให้เราต้องแก้อยู่เหมือนเดิมห <c oughs> น้าการแก้ปัญหาทางร่างกายก็เป็นการแก้แบบชั่วคราวแก้ไปในขณะที่ร่างกายมีชีวิตอยู่พอร่างกายตายไปแล้วปัญหาต่างๆที่เราแก้ให้กับร่างกายมันก็หมดไปพร้อมๆกับ การสิ้นสุดลงของร่างกายแต่ปัญหาของใจนี้มันไม่สิ้นสุดลงไปกับการสิ้นสุดของร่างกายเพราะปัญหาของใจนั้นอยู่ที่การทำบาปและอยู่การอยู่ที่การมีความอยากต่างๆมีความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากต่างๆที่จะดึงให้ใจกลับมามีร่างกายอันใหม่ มาแก้ปัญหาที่ร่างกายอันใหม่ใหม่อีกถ้าเรามัวแต่แก้ปัญหาที่ร่างกายเราจะไม่มีวันแก้ปัญหาของใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วก็ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้น <c oughs> ก็จะไม่มีใครรู้ว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายถ้าจะแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาที่ใจ เพราะปัญหาของร่างกายเป็นปัญหาปลายเหตุเพราะถ้าเราแก้ปัญหาที่ใจคือปัญหาที่ต้นเหตุได้แล้วปัญหาร่างกายจะหมดไปจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดอันนี้จะไม่มีใครรู้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้แล้วมาประกาศสั่งสอนให้จัดโลกให้รู้ว่าให้สิ่งที่จะต้องมาแก้คือใจไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายจะแก้มันอย่างไรมันก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายอยู่ดีแล้วก็ตายแล้วก็จะกลับมาเกิดมีร่างกายอันใหม่มาให้แก้อยู่เรื่อยๆการแก้ปัญหาจึงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ร่างกายการแก้ปัญหาต้องมาแก้ปัญหาที่ใจใจมีปัญหาอยู่สข้อด้วยกันปัญหาที่เกิดจากการทําบาป ทำให้มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจความรุ่มร้อนใจปัญหาที่เกิดจากการไม่มีความสุขใจเพราะไม่มีบุญไม่มีกุศลมาหล่อเลี้ยงจิตใจและปัญหาที่พาให้ใจต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆมาทุกข์กับสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้เองคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์นี้ จึงเป็นคำสอนที่เหมือนกันหมดมาแก้ปัญหาของใจสามข้อนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตัดสรู้และมาประกาศพระธรรมคาสอนให้แก่สารโลกนี้จะสอนเหมือนกันหมดเลยเพราะสรงคนพบปัญหาของใจเหมือนกันทุกๆพระองค์แม้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตัดสรลโก็จะมารู้ปัญหาของใจสามข้อนี้ แล้วก็จะรู้วิธีแก้ปัญหาของใจทั้งสามข้อนี้ด้วยก็จะสอนวิธีแก้ปัญหาของใจทั้งสามข้อนี้ให้กับผู้ที่ต้องการที่จะแก้ปัญหาคือหนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวง เพราะว่าเมื่อไม่ทําบาปแล้วความทุกข์ใจที่เกิดจากทําบาปจะไม่มีคนที่ไม่ไปโกหกจะไม่มีความไม่สบายใจเวลาไม่เวลาไม่ได้โกหกคนที่ไปลักทรัพย์นี่จะไม่ได้ไปลักทรัพย์จะไม่มีความรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกับคนที่ไปลักทรัพย์ คนที่ทำผิดกับคนที่ไม่ทำผิดนี้จะมีความรู้สึกต่างกันทำผิดแล้วจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจถ้าไม่อยากจะมีความรู้สึกไม่สบายใจก็อย่าไปทำผิดเท่านั้นอย่าไปทำบาปเท่านั้นเองใจ ก, ก็จะไม่มีความทุกข์กับความการกระทําผิดนะแล้วถ้าอยากจะมีความสุขถ้าอยู่เฉยๆไม่มีความสุข ส่วนใหญ่เราจะไปหาความสุขในทางที่ไม่ถูกคือไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ไม่ใช่เป็นการให้ความสุขที่แท้จริงเป็นการเหมือนหาความสุขอยากยาเสพติดเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเป็นสุขเดียวเดียวแต่มันจะก่อความอยากขึ้นมาอยู่เรื่อยๆและเวลาใดที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้เวลานั้นก็จะ กลายเป็นความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าอยากจะมีความสุขอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสให้มาหาความสุขจากการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นจะดีกว่าความสุขที่เราได้ให้ความช่วยเหลือกับผู้อนี้มันจะมีความสุขที่ดูดเดิมมีน้าหนัก มันทำให้เรารู้สึกมีความอิ่มมีความพอความหิวโหยที่อยากจะไปหาความสุขในรูปแบบอื่นมันจะหายไปถ้าเราทุกครั้งที่เราอยากจะมีความสุขเรามาหาความสุขจากการทำบุญทำกุศลบุญกุศลรูปแบบไหนได้ทั้งนั้น ชอบทำบุญกับวัดก็ไปทําบุญกับวัดชอบทําบุญกับโรงพยาบาลก็ทากับโรงพยาบาลชอบทาบุญกับ อ, องค์กรสาธารณกุศลองค์กรไหนก็ไปทําได้ขอให้เราได้ทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคือแบ่งปันประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นเขาที่ทุกข์ยากเดือดร้อนลำบากได้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนลาบาก ได้มีความสุขเหมือนกับที่เรามีกันมันก็จะทำให้เกิดความสุขอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาในใจความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้มีจากการมีข้าวของเงินทองต่างๆเรามีข้าวของเงินทองเรามีความสุขก็ชั่วขณะที่เราได้มาใหม่ๆพอเราได้มาแล้วทีนี้มันความสุขนั้นมันหายไปแล้ว ข้าวของเงินทองที่เราได้มามันก็ยังอยู่แต่มันไม่ได้ให้ความรู้สึกดีเหมือนกับตอนที่เราได้มาใหม่ๆถ้าเราอยากจะได้ความสุขจากข้าวของเงินทองที่เราได้มาเราก็ต้องเอาข้าวของเงินทองเหล่านี้ไปแบ่งให้คนอื่นถ้าเราไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้ต้องเก็บเอาไว้ก็เอาไปทําประโยชน์ดีกว่า เวลาทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยการเสียสละเข้าของเงินทองของเราไปใจของเราจะเกิดความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึ่งความสุขใจอิ่มใจที่มีความหนักแน่นและมีความอิ่มมากกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการที่เราไปทำอะไรตามความอยากต่างๆนี่คือวิธีสร้างความสุขให้กับใจ ทำบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมถ้าเรามีฐานะที่ทำได้ก็ทำถ้าไม่มีฐานะก็มีบุญกุศลอีกแบบหนึ่งคือบุญกุศลที่เกิดจากการมาฝึกจิตมาทำจิตตภาวนามาทำใจให้สงบ ก, ก็ได้สมมติว่าเราเป็นคนยากจนเราไม่มีเงินที่จะไปสร้างบุญสร้างกุศลแบบ ไปบริจากข้าวของเงินทองต่างๆเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปตกใจว่าโอ้ยเราไม่ได้ทําบุญเหมือนคนอื่นเราจะไม่ได้บุญเพราะบุญมีหลายอย่างด้วยกันถ้าไม่มีข้าวของเงินทองจะทําบุญแต่เรามีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมเราก็ไปปฏิบัติธรรมแต่การไปปฏิบัติธรรมการไปรักษาศีนั่งสมาธิ ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกันทําใจให้สงบเวลาใจสงบเราก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการสร้างบุญสร้างกุศลในรูปแบบอื่นคือการทําบุญทําทานดังนั้นเรื่องการทําบุญทําทานนี้ขอให้ผู้ที่ไม่มีเงินทองอย่าไปตกใจอย่าไปรู้สึกว่าเรา เรามีโอกาสน้อยกับคนที่มีเงินมีทองไม่ใช่คนที่ไม่มีเงินมีทองนี้กับจะมีโอกาสได้สร้างบุญมากกว่าคนที่มีเงินมีทองเสียอีกเพราะว่าคนมีเงินมีทองนี้มักจะต้องหาเงินหาทองกันถึงจะมีเงินมีทองได้เมื่อเขาหาเงินหาทองเขาก็จะไม่มีเวลาไปหาบุญที่ละเอียดกว่าที่ดีกว่าคือบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นเอง บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบเนี่ยอันนี้ดังนั้นคนที่ไม่มีเงินทําบุญนี้กลับจะอมีโอกาสมากกว่าคนที่มีเงินทําบุญเพราะว่าคนที่มีเงินทําบุญก็ต้องมัวแต่คอยหาเงินอยู่เรื่อยๆนแต่คนที่ไม่มีเงินทําบุญก็อย่าไปหาเงินมาทําบุญให้เสียเวลาเอาเวลาว่างเนี่ยไปปฏิบัติธรรมดีกว่า ไปฝึกสมาธิไปทำใจให้สงบจะดีกว่าเพราะจะได้บุญที่ละเอียดกว่าที่หนักกว่าที่ดีกว่าได้นี่คือเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมถ้าใจเรารู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยไปทำบุญเถอะอย่าไปเที่ยวอย่าไปชอปปิง้งอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆควนความสุขต่างกัน ความสุขที่ทาตามความอยากไปเที่ยวไปช็อปปิ้งนี้เป็นเหมือนไปซื้อยาเสพติดแต่ความสุขที่เกิดจากการทำบุญนี้เหมือนกับการไปซื้ออาหารมา ก, กินอาหารมีคุณประโยชน์กับร่างกายมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการไปซื้อยาเสพติดมาเสพเนถ้าเรามีความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปเราก็ต้องหยุดการกระทำบาป อย่าทำบาปทำแล้วมันลบล้างไม่ได้ความรู้สึกไม่ดีที่เกิดเกิดจากการทำบาปนี้มันลบล้างไม่ได้เนี่ยคนชอบมาถามอยู่เรือ่อยจะล้างบาปที่ทำได้หรือไม่เพราะมีความวิตกกังวลเหลือเกินกับบาปที่ได้ทำไว้กลัวจะต้องรับวิบากต่างๆไม่ได้หรอกถ้าไม่อยากจะ ทำบาปก็ไม่อยากจะมีความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปก็อยากไปทำบาปเท่านั้นเองส่วนบาปที่ทำแล้วก็ทำทาใจไว้ก็แล้วกันทำใจว่าทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของมันไปเท่านั้นเองแล้วใจก็จะสบายเพราะว่าจะรับผลบาปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้แล้วมาทุกข์กับมันทำไมตอนนี้ยังไม่ได้รับ ก็ให้มันทุกตอนที่มันรับก็แล้วกันตอนที่มันเกิดตอนที่มันไม่เกิดก็อย่าไปทุกข์กับมันให้เสียเวลาเปล่าๆการที่เราจะไม่ทุกข์กับบาปที่เราทําได้ก็เกิดต้องทําใจยอมรับว่าอไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องมาเมื่อมันจะมาก็ยินดีต้อนรับมันเท่านั้นก็จบเราก็จะอยู่อย่างสบายไปจนกว่าบาปนั้นจะส่งผลขึ้นมาพอส่งผลเราก็ทนรับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เหมือนฝนตกฝนตกหนักขนาดไหนเดี๋ยวมันก็หยุดเองแต่ก่อนฝนจะตกโอยฟังพยากรณ์แล้วโอนกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งๆ ท, ที่ฝนยังไม่ตกเลยอย่าไปวุ่นวายกับมันอะไรที่ยังไม่เกิดก็เฉยๆไปรอให้มันเกิดเกิดแล้วมันจะเกิดแล้วมันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้อย่างมากก็ตาย ไม่ช้าก็เร็วคนเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะมีเหตุการณ์หรือไม่มีเหตุการณ์อะไรเมื่อถึงเวลามันจะตายมันก็ตายด้วยกันทุกคนจึงไม่มีอะไรที่จะต้องมากังวลกังวลก็คือบาปใหม่ที่จะทำนี่อันนี้สำคัญกว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าการทำบาปไม่ดี ยิงมากังวลกับบาปใหม่ดีกว่าอย่าไปกังวลกับการลบล้างบาปเก่าเพราะมันล้างไม่ได้ลบไม่ได้แต่เราห้ามบาปบาปใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นได้ให้มาคอยระมัดระวังคอยหักห้ามจิตใจเวลาที่จะทําบาปใหม่ดีกว่า ดยการเอาความรู้สึกที่ไม่ดีที่เราได้รับจากการทำบาปเก่ามาเป็นคติเตือนใจว่าเนี่ยทำบาปทำบาปแล้วจะรู้สึกอย่างนี้นะถ้าไม่อยากจะรู้สึกอย่างนี้อย่าทำดีกว่าอย่างนี้เราก็จะห้ามใจได้ถ้าเรียกว่าให้มีฮีดีโอตตปะความละอายในการกระทำบาป ความกลัวผลของบาปที่จะเกิดขึ้นเรียกว่าฮิริโอตปะฮิริคือความอายโอตปะคือความกลัวบาปกลัวผลของบาปที่จะเกิดขึ้นมานี่คือวิธีแก้ปัญหาความทุกข์ของใจที่จะแก้ปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงต้องแก้าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามประการนี้คือละการกระทำบาปทั้งปวง สองสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมวันไหนที่เรารู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยไปทําบุญสิเดี๋ยวความสุขเกิดขึน้นอไปช่วยเหลือคนนั่นช่วยเหลือคนนี้แล้วเราจะมีความรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาดีกว่าไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นีน่ดีกว่าไปซื้อข้าวของมาลกบ้านซื้อมาแล้วเต็มบ้านทำไรายได้ได้มา มีความสุขก็ได้ตอนที่จ่ายเงินเทนะ่านเวลาจ่ายเงินได้ของมาดีใจสองสามวันเรากลับมาว่านก็ทิ้งมันไว้ในบ้านนะไม่ได้ไปสนใจอะไรกับมันอีกต่อไปเสื้อผ้าเต็มตู้เห็นไหค่คยไปเปิดดูบ้างไมไม่เคยเวลาดูมันให้ความสุขเหมือนกับตอนที่มันอยู่ในร้านหรือเปล่าไม่มีไม่เหมือนกันนะ งั้นเราถูกหลอกก็นใช่ไหมถ้าเราไปหาความสุขแบบไปช้อปปิง้งไปซื้อของไปทำอะไรต่างๆนี่มันเป็นความสุขปลอมอย่าไปหาความสุขแบบนั้นให้มาหาความสุขจากการสร้างบุญสร้างกุศลดีกว่าสร้างบุญสร้างศาลาทิ้งไว้สิบปีกลับไปดูศาลาทีไรก็ยังมีความสุขใจทุกทีบางครอบครัวก็ไปสร้างศาลา เผาศพกันใช่ไหม ส, สร้างศาลาติดชื่อไว้ศาล า, า, านุ่นศาลานี้เวลาไม่สบายใจก็ลองว่าไปดูศาลาพอเห็นศาลาเห็นบุญที่ได้ทําไว้ความสุขใจก็กลับมาได้ะเนี่ยบุญที่เราทําไว้แล้วเนี่ยถึงแม้มันจะนานสักแคะจากนานมากน้อยเพียงไรพอเราระลึกถึงมันทีไรความสุขที่ได้จากการทําบุญนั้นมันก็ยังกลับมาหาเราอยู่ ทำให้เรา ม, มีความรู้สึกปลื้มปิติมีความสุขใจอยู่นี่คือข้อที่สองทำรู้สึกไม่มีความสุขก็ไปทำบุญกันอย่าไปเที่ยวอย่าไปหาความสุขจากการไปเที่ยวเช่นสงการนี้อยู่ห้าวันเนี่ยลองไปหาความสุขจากการไปทำบุญดูทำบุญทั้งห้าวันดูแาเปรียบเทียบกับการไปเที่ยวห้าวันกลับมาอันไหนจะดีกว่ากันแล้วข้อสุดท้าย เธอมาชำละความอยากให้หมดไปจากใจอันนี้เป็นตัวรากเหง้าของปัญหาถ้าเราไม่กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจความอยากนี้มันจะฉุดให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆมันจะดึงใจของเราให้มาเกิดอยู่เรื่อยๆให้มาหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายอยู่เรื่อยๆพอมาเกิดพอมีพอมีร่างกายก็มีปัญหาต่างๆตามมาทันที ม, มีเรื่องราวที่จะต้องมาคอยแก้คอยบำบัดคอยหาอาหารคอยหาอะไรต่างๆมาให้ร่างกายคอยปกป้องรักษาร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายไปหาความสุขตามความอยากที่หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแลเวลาที่มีปัญหาไม่สามารถหาตามความอยากได้ก็จะทุกข์ทรมานใจโจนาจจะถึงอยากจะฆ่าตัวตาย คนที่คอยหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวตอนที่มีกำลังวางชานนี่มันจะเพลิดเพลินจนติดพอเวลาแก่เวลาเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่สามารถหาความสุขแบบตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้ทีนี่ก็อยากจะฆ่าตัวตายเท่านั้นเองเพราะมันทุกข์ทรมานมากไม่มีความสุขเลยไม่รู้จักวิธีหาความสุขตามที่พุทธเจ้าสอนให้หาเ คือหาความสุขจากความสงบหาความสุขจากการทําบุญทําทานสร้างบุญสร้างกุศลหาไม่เป็นเพราะไม่รู้ไม่ศึกษามาก่อนดังนั้นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาแบบราบคาบต้องแก้ด้วยการไม่มาเกิดการที่จะไม่มาเกิดได้เราก็ต้องกําจัดความอยากที่มีอยู่ในใจสามข้อคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าการมรัทหา ความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหาถ้าเรากำจัดความอยากทั้งสามข้อนี้ให้หมดไปจากใจได้เราก็จะไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มาเกิดแล้วปัญหาต่างๆก็หมดไปไม่ต้องมาดิ้นรนแบบที่เราต้องดิ้นรนอยู่กันทุกวันนี้ดิ้ น, นรนทำมาหากินดิ้นรนหาความสุข ดิ้นลนหนีความทุกข์นี่คือปัญหาของพวกเราเนี่ยดิ้นลนเลี้ยงดูร่างกายดิ้นลนหาความสุขดิ้นลนหนีความทุกข์ดิ้นยังไงก็หนีไม่พน้นพอตายไปก็กลับมาหาใหม่กลัก็กลับมาหามันใหม่อีกกลับมาเกิดใหม่อีกดังนั้นถ้าไม่อยากจะต้องมาเจอปัญหาเหล่านี้แบบไม่รู้จักจบจักสิน้นก็ต้องแก้ด้วยที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือความอยากทั้งสามนี้ คือกามตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาต้องกำจัดมันด้วยการเจริญวิปัสสนาด้วยการเจริญสมถะภาวนาสองอยา่างสองอยา่างนี้ถึงจะสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้สมถะภาวนาคือการฝึกใจทําใจให้สงบเรียกว่าสมาธิ พอใจมีสมาธิมีความสงบแล้วก็จะมีกำลังที่จะสอนใจให้เห็นโทษของการทำตามความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะทุกสิ่งทุกอย่างใน่ลกนี้มันไม่เที่ยงมันสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดียวมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปต่ถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทาให้ใจเราวุ่นวาย เราก็อยากไปทำตามความอยากแล้วใจเราก็จะหายวุ่นวายใจเราก็จะหายอยากหายหิวใจของเราก็จะมีแต่ความสุขความอิ่มไปตลอดไม่ต้องมามีร่างกายอีกต่อไปนี่คือวิธีแก้ปัญหาของพวกเราต้องแก้ด้วยวิธีของพระพุทธเจ้าคือละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆแล้วใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริปรเเนติสาคหลังเอวเมวะอิโตถินังเปตางนังอุปกาปติยิจิต an ังปติตังตุมห um ังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพบริเณตุสังกปา จันโทปนะราโสยะธามะนีโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโวินัสตุมาเตภวตวันตรายยสุขีทีคายุโกภวะ อะพิวาทนสีลิตสานิจังวุธาปจายนโนจตารธรร ม, มาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังวันนี้ก็ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทางเฟซบุ๊กสามร้อยยี่สิบห้ายทสองร้อยเจ็ด วิทยุออนไลน์สามสิบเอ็ดรับฟังบนเขาหกสิบรวมทั้งสิ้นห2ร้อยี่สิบสามท่านค่ะ okay. วันนี้มีต่างประเทศมา You have any question? No question. โอเคก็ใครมีคำถามก็ถามได้จะตอบได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่คำถามมีใครอยากจะถามก็ เอาไมโครโฟนไปได้ถ้าไม่มีก็ถ้าทางบ้านมีก็ทาคำถามจากคุณสันทัศตศรีวิชานกุล ค, ค่ะอยากทราบว่าถ้าจะขอรับหนังสือพระอาจารย์สุชาติเพื่อไปแจกเป็นของที่ระลึก ง, งานชาปนากิจของพี่สาวซึ่งเป็นศิษย์ผู้ศรัทธาต่อพระอาจารย์จะติดต่อได้ที่ไหนคะ พี่สาวหนูชื่อคุณพัชราศรีวิชานกุลค่ะที่เคยไปพังเทสและส่งคําถามให้พระอาจารย์บ่อยๆค่ะพี่สาวจากไปเมื่อคืนอย่างสงบค่ะท้องครอบครัวคิดเห็นว่าพี่สาวชอบที่จะแบ่งปันธรรมะที่พระอาจารย์สอนให้คนรอบข้างจึงอยากขอหนังสือของพระอาจารย์มาแจกในวันสุดท้ายจะมีงานชาปนากิจในวันจันทร์ที่หนึ่งเมษายนค่ะขอความกรุณาพระอาจารย์ด้วยค่ะ ก็ต้องติดต่อที่โรงพิมพ์นะเพราะว่าหนังสือที่เรามีก็ไม่พอที่จะเอาไปแจกให้ตามงานต่างๆได้เอาไว้แจกที่ที่นี่สำหรับญาติโยมที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมที่นี่ถ้าต้องการหนังสือไปแจกตามงานต้องติดต่อที่โรงพิมพ์สินสยามเป็นผู้พิมพ์หนังสือส่วนใหญ่ดูในหนังสือจะมีที่อยู่ของโรงพิมพ์สินสยาม หรือไม่เช่นนั้นตอนนี้ก็คงเสิร์ชใน ก, กู o ก l e ได้ลองเป็นสินสยามมีที่อยู่มีเบอร์ติดต่อก็แจ้งให้เขาทราบเขาก็จะพิมพ์ให้ได้คำถามต่อไปจากคุณนรุมนค่ะกราบนมมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหากดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย เป็นการสลับทางวิปัสสนากับกรรมฐานแบบนี้ถือว่าสติหรือสมาธิยังไม่พอใช่ไหมเจ้าคะใช่อย่าเพิ่งไปทางวิปัสสนาเลยพวกเราเก้าร้อยเปอร์เซ็นเนี้เก้าเก้าสิบเก้าจุเก้านี้ยังไม่ได้อยู่ในระดับวิปัสสนาระดับสมาธิยังไม่ได้อย่ายไปทางวิปัสสนาไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์ฝึกนั่งสมาธิให้ได้นานๆก่อน นั่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงทำจิตใจให้สงบก่อนถึงจะมีสติมีกำลังที่จะใช้วิปัสสนาในการกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆได้ก็ถ้าไปวิปัสสนาก็จะเป็นวิปัสสนึกเป็นความจำได้หมายรู้เวลาถึงเวลาจะใช้มันมันหายไปหมดเวลาจะไปช้อปปิง้งเวลาไปเที่ยวนี่ ปัญญาหายไปหมดง <c oughs> ันมันมีไว้สำหรับแก้กิเลสตัดกิเลสแต่พอเวลากิเลสพอขึ้นมาปัญญานี่หายไปหมดเพราะมันเป็นเพียงวิปัสสนกถ้าเป็นวิปัสนามันจะต้องเป็นความรู้ที่ไม่ไม่สูญไม่สูญหายต้องมีอยู่คู่กับใจตลอด พออยากได้กระเป๋าก็ใตรักก็ขึ้นมาอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ขึ้นมาพออยากไปเที่ยวอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็โผล่ขึ้นมาพอไปยึดไปติดกับร่างกายอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็โผล่ขึ้นมาอันนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาได้แล้วก็ปล่อยวางได้ด้วยถ้าขึ้นมาแล้วแต่ปล่อยวางไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร พอรู้ว่าเป็นตายรักแต่ก็ยังจะเอาอีกอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิไม่มีสติที่จะหยุดความอยากได้งั้นอย่าพึ่งไปทางวิปัสสนาให้ไปทางสมาธิก่อนไปหยุดกิเลสให้ได้ก่อนหยุดด้วยสติก่อนเมื่อหยุดด้วยสติแล้วทีนี้ค่อยมาหยุดด้วยปัญญาต่อไป คำถามต่อไปจากคุณชนิดาค่ะมีสองคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งการสวดมนต์ในใจตอนขี่มอเตอร์ไซค์ดีไหมคะอันตรายไหมคะก็ลองดูสิการรถอะไรตัดหน้าขึ้นมาจะทันหรือเปล่าเวลาทำอะไรให้มีสติอยู่กับการกทำอย่าไปอยู่กับการสวดมนต์อย่าไปอยู่กการพุทโทธโดยเฉพาะงานการที่ต้องใช้สติมากๆเช่นเวลาขับยานยนต์ต่างๆ ถ้ามัวไปพุทโธไปสวดมนต์เดี๋ยวมีเหตุกระทันหันอาจจะแก้กปัญหาไม่ได้ยังต้องอยู่ที่การขับรถ ด, ดีกว่าเวลาขับรถให้อยู่ัาการขับรถเวลานอกจากเวลาทําอะไรที่ไม่ไม่กระทันหันเช่นเดินจงกรมเนี่ก็ค่อยพุทโธพุทโธหรือสวดมนต์ไปภายในใจได้อยู่แต่เวลาทําอะไรที่เกี่ยวกับอันตราย ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเช่นการขับขี่ยานยนต์หรือการควบคุมเครื่องจักรต่างๆนี้ต้องใจอยู่ที่การขับขี่อยู่ที่การควบคุมอย่าไปอยู่ที่สวดมนต์เดี๋ยวนิ้วขาดได้แขนขาดได้คันธันที่สองค่ะการทำการุญญาฆาตบาปไหมคะก็บาปเมื่อกี้กทศแล้วว่าทางศาสนาไม่มีข้อยกเว้น การฆ่านี้บาปทุกชนิดนอกจากฆ่ากิเลสเท่านั้นไม่บาปถ้าอยากจะการุณฆ่าขอให้การุณฆ่าที่กิเลสฆ่าความโลภฆ่าความโกรธฆ่าความหลงแต่องนี้ฆ่ายิ่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากขึ้นเท่านั้นคำถามต่อไปจากคุณอนุลักษ์ค่ะขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ครับตอนนี้ผมเช่าตึกขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แต่เจ้าของตึก ติดป้ายขายตึก ด, ด้วยผมควรซื้อเองหรือเช่าครับถ้าเขาขายได้ผมคงต้องย้ายออกไปหาที่ใหม่ก็น่แหละถ้าคุณไม่อยากย้ายคุณก็ต้องซื้อฮะตอนนี้คาถามหมดค่ะเพราะเขาต้องการเงินเขาต้องการเงินก้อนเงินค่าเช่าที่เราให้เขามันไม่พอใช้เขาก็เลยต้องขาย ถ้าเราอยากจะอยู่ต่อเราก็ต้องอไปกู้หนี้ยืมสินด้ะไรไม่มีเงินก้อนก็อาจจะต้องไปติดต่อกับทางธนาคารขอให้ธนาคาราาเป็นผู้จ่ายเงินออกไปก่อนแล้วเราก็ผ่อนที่ธนาคารต่อไปแต่ถ้าเราอยู่ไม่ได้ก็ไปหาที่อื่นทำต่อไปชีวิตก็อย่างนี้แหละไม่มีอะไรแน่นอนอย่าไปทุกข์กับมัน เมื่ออยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปก็ไปคำถามต่อไปจากคุณเชเบลค่ะกลับนมรรคการพระอาจารย์ค่ะเวลาดูจิตคือช่วงที่มีอารมณ์ต่างๆโกรธหรือกลัวโรคเราควรรู้ทันว่าเรามีอารมณ์แต่เราไม่ทําตามอารมณ์ใช่ไหมเจ้าคะใช่ถ้าเราทําได้ ส่วนใหญ่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิไม่มีสติพอนี่เราจะทำไม่ได้อาจจะทำได้กับตัวเล็กๆ ถ, ถ้าไปเจอเหตุการณ์แรงๆใหญ่ๆนี้อาจจะทำไม่ได้งั้นอย่าอย่าไปทางดูจิตก่อนเลยให้ไปดูสติดีกว่าไปหยุดความคิดหยุดความอยากทำใจใหส้สงบก่อนจะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้แก้ปัญหาแบบหนักๆได้เวลาที่เราเจอปัญหาหนักๆ ถ้าเราทําตามที่เราตามกําลังที่เรามีอยู่สติของเรามันมีน้อยถ้าตัวเล็กๆ เ, เราก็พอหยุดได้แต่ถ้าพอเจอตัวใหญ่ๆเข้านี้มันอาจจะหยุดไม่ได้ต่อไปคําถามจากคุณวันมิพาค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะโยมขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าโยมเริ่ม ตนฝึกพุโทโธตั้งแต่ตื่นลืมตาตามที่พระอาจารย์เทศเพิ่งเห็นว่าพอท่องพุโทโธเรื่องราวที่กำลังจะคิดหยุดลงทันทีแต่จากนั้นก็เริ่มคิดต่อเจ้าค่ะสติไม่ต่อเนื่องโยมควรฝึกฝนใจอย่างไรให้มีสติต่อเนื่องเจ้าคะอา้าวก็พอมันคิดต่อเราก็พุโทโธต่อสิเหมือนรถเนี่ยเวลาเราต้องการจะให้มันหยุดเราก็เหยียบเบรกไว้ พอมันหยุดแล้วก็ปล่อเบรกได้พอมันวิ่งใหม่แล้วก็ต้องเหยียบเบรกใหม่ถ้าเราต้องการให้มันหยุดก็เท่านั้นเองทําไมไม่พูดโธต่อเราขี้เกียจเองใช่หไหมปัญหามันง่ายๆมันถ้าพูดโธมันก็หยุดคิดพอมันหยุดพุดโธมันก็คิดใหม่ ถ้าไม่จําเป็นต้องคิดก็หยุดมันด้วยพุทโธแต่ถ้าต้องคิดก็ให้มันคิดไปเช่นต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องจําเป็นจริงๆก็ต้องคิดก็คิดไปได้แต่มันไม่มากกับเรื่องจําเป็นที่จะต้องคิดนมีแต่เรื่องที่ไม่ต้องจําเป็นต้องคิดเนี่ยมันคิดอยู่เรื่อยๆคิดซ้ําๆซักๆคิดเรื่องเก่าเรื่องเก่านั่นแหะตั้งแต่เช้ามาถึงบ่ายก็คิดถึงเรื่องเก่านั่นแหะใครด่าเราคําเดียวตอนเช้าตอนบ่ายก็ยังคิดถึงมันอยู่เ ถ้ามันคิดเรื่องราวเหล่านี้ก็หยุดคิดมันซะพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดียวห้านาทีมันก็ลืมละอารมณ์เสียจากเรื่องที่คิดก็หายไปใจก็เย็นใจจะสบายพอมันเริ่มคิดใหม่เราก็ต้องพุทโธใหม่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ยอมหยุดมันมันต้องหยุดมันต้องแพ้เราถ้าเราหยุดมันเราก็แพ้มันดังนั้นเราอย่าหยุดเวลามันคิดเวลามันไม่คิดเราก็หยุดได้ คำถามต่อไปจากคุณกิติค่ะขอกราบเรียนถามครับสังเกตว่าความรักความปรารถนาดีที่พ่อมีต่อลูกช่วงไหนมีมากการทําสมาธิจะถดถอยเช่นช่วงปิดเทอมน่าจะเกี่ยวข้องกันไหมครับเพราะสังเกตว่าความรักลูกมันแฝงอยู่ด้วยกามหรือผมคิดไปเองครับความรักแบบมี ความผูกพันมันก็จะทำให้ใจคอยคิดถึงคนที่เรารักอยู่สติเลยไม่มีที่จะมาอยู่กับําบริกรรมพุโทโธมาอยู่กับการดูลมหายใจดูลมได้สองสามคครั้งก็คิดถึงลูกแนละ้วพุโทโธได้สองสามครั้งก็ไปคิดถึงลูกนะเป็นห่วงลูกว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ทำแล้วก็ปรุงแต่งไปทำอย่างนี้ดีไหมไม่ดีมั้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เวลาที่ไม่ได้คิดถึงลูกนี้เวลาลูกไปโรงเรียนหรือไปอะไรมันอยู่ห่างไกลกันใจก็เลยไม่ได้คิดถึงเขาเวลาให้อยู่กับพุทธโธก็อยู่กับพุทธโธได้เวลาดูลมก็ดูลมได้ คำถามต่อไปจากคุณฟูค่ะการถือศีลห้าเป็นศีลที่คารวะจะต้องปฏิบัติแต่ในกุศลกรรมบทที่เพิ่มเป็นสิบข้อข้อหนึ่งถึงสาเหมือนในศีลห้าแต่มีเพิ่มมาในทางวาจาเป็นสี่ข้อและในใจในความคิดอีกสามข้ออย่างนี้เราควรปฏิบัติตามอย่างไรครับก็ปฏิบัติเท่าที่เราปฏิบัติได้เพราะเป็นเหมือนเรียนหนังภาษามีระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยม เราอยู่ในระดับไหนเราก็ทำตามระดับนั้นไปถ้าเราอยากจะเลื่อนระดับเราก็ต้องพยายามเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นไปเช่นตอนต้นเราอาจจะรักษาศีลห้าได้ต่อไปเราก็อาจจะมารักษาศีลแปดหรือรักษาอ า, อากุศลระงับอากุศลอีกสามข้ออีกสี่ข้อทางวาจาไป อันนี้อยู่ที่กำลังของเราอยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่ความปรารถนาของเราว่าเราต้องการที่จะปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรแล้วก็อยู่ที่กำลังว่าจะทำตามที่เราปรารถนาได้หรือไม่ แต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามพระพุทธเจ้ารับประกันว่าทำได้ทุกคนเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอาจจะช้าหรือเร็วตามกำลังของแต่ละคนคนกำลังน้อยก็อาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยคนกำลังมากก็จจไม่ต้องใช้เวลามากเหมือนคนเดินขึ้นเขาเนี่ยสังเกตดูคนมีแรงมากนี่ขึ้นไปได้เร็วกว่าคนที่มีแรงน้อยคนที่มีแรงน้อยถึงแม้ว่าจะขึ้นไปช้ากว่า แต่ถ้ามีความพยายามเดินไปเรื่อยๆก็ถึงได้เหมือนกันแต่อาจจะช้ากว่าเท่านั้นเองอยิ่งต่างกันที่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองอยู่ที่กำลังของแต่ละคนบางคนมีกำลังมากสามารถปฏิบัติเคลื่อนทำจากระดับต่ำสู่ระดับสูงได้อย่างรวดเร็วบางคนก็ต้องใช้เวลามากกว่าเพราะกำลังมีไม่เท่ากัน คำถามต่อไปจากคุณสุปราณีค่ะขอกราบเรียนถามว่าถ้าเรานำของสามีมาทานขณะที่เราไม่ถูกกันจะเป็นบาปไหมคะของอามทานแล้วมาทาทานเอามาเอามารับประทานก็อยู่ที่ว่าเป็นของส่วนรวมหรือเปล่าถ้าเป็นของคู่กันเป็นสมบัติ ของกันและกันก็ไม่บาปแต่อย่างใดถือว่าเป็นของของเราแต่ถ้าเป็นของเขานี่ยก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนถ้าเอาของที่เขายังไม่ใหมาเราก็ถือว่าเราขโมยของเขาคำถามต่อไปจากคุณแพมค่ะจะตัดความหลงได้อย่างไรคะพระอาจารย์ก็ต้องฟังธรรมอยู่เรื่อ ย, รอยธรรมะนี่จะสอนความจรงิงความหลงของเรามีมากมายหลายระดับด้วยกัน หลงว่าร่างกายเป็นเรานี้ก็เป็นความหลงนะหลงว่าเรามีเพียงแต่ร่างกายตายไปเราศูนย์ตายไปแล้วเราจบเราหายไปนี่ก็หลงอีกแล้วเพราะเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราอยู่ที่ใจใจไม่ได้ตายกับร่างกาย ใจไปรับผลบุญผลบาปต่อแล้วถ้าใจมีความอยากก็จะกลับไปมีนั่งกายอันใหม่ต่ออันนี้ก็เป็นความหลงเหมือนกันเออความหลงที่คิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีก็เป็นความหลงเพราะบุญมีทําบุญแล้วมีผลทําบาปแล้วมีผลเ อ, อันนั้นทานหมดพอดีมั้ง <c oughs> เครื่องมาแชลแอดมินหายไปไหนท <c oughs> านหมดมั้ง ดังนั้นความหลงมีหลายระดับด้วยกันต้องต้องแก้ด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยเพราะว่าจะได้ยินได้ฟังความจริงของแต่ละระดับเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็มีการแสดงอยู่หลายระดับไปไม่แสดงเรื่องเดียวทุกวันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยไม่เช่นนั้นเราก็ศึกษาเองก็ได้เข้าไปค้นหาในพระไตรปิฎก หาว่าความไม่หลงคือสัมมาทิฐิมีอะไรบ้างก็ได้ค้นคว้าเอาอต่อไปค่ะคำถามต่อไปจากคุณวัชรศิลค่ะพระอาจารย์ครับคนที่เคร่งศีลมากๆมักจะเกิดอุปาทานใช่ไหมครับกระผมเห็นบางท่านจะชอบจับผิดผู้อื่นอยู่เป็นประจำเราต้องอยู่ให้ห่างตลอดเลยบางทีเหมือนเขาไปโกรธใครมาไม่รู้มีวิธีแก้ไขไหมครับ คือเขาไม่เข้าใจหลักของการรักษาศีลว่ารักษาศีนเพื่อตัวเขาเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นเขารักษาศีลเขาต้องดูตัวเขาไม่ใช่ไปดูการกระทําของคนอื่นเขาต้องดูว่าเขารักษาทําผิดศีนหรือไม่ทําผิดศีลไม่ใช่ไปดูคนอื่นทําผิดศีนหรือไม่ผิดศีนอันนี้เป็นความหลงความเข้าใจผิดเคนมกักจะคนรักษาศีนมักจะเป็นอย่างนั้น มักจะไปชอบมองคนอื่นว่าเขารักษาศีลหรือเปล่าไม่ได้ดูว่าตัวเองรักษาศีลหรือเปล่ า, านั้นต้องสอนคนที่รักษาศีลว่าให้ดูตัวเองดูการกระทำของตนเองคนอื่นเขาจะรักษาไม่รักษามันไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือให้เรารักษาศีลของเรา คำถามต่อไปจากคุณจีนค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะมีเพื่อนมาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวสามีของเพื่อนนอกใจถ้าเราให้คำปรึกษาแก่เพื่อนเราเห็นว่าเขาควรเลิกเลิกแต่เพื่อนเหมือนยังไม่พร้อมเราควรจะให้คำปรึกษาเขาอย่างไรให้ถูกต้องคะหรือเพียงแค่รับฟังโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะถ้าเราให้คาแนะนาเขาก็ให้ได้แต่เราอย่าไป มีความยึดมั่นกับข้อแนะนําของเราไม่ใช่ว่าพอเราแนะนําแล้วเขาจะต้องทําตามที่เราแนะนําให้เขาเลือกเอาเป็นทางเลือกทางหนึ่งของการแก้ปัญหาของเขาแต่ถ้าเขาไม่เอาทางที่เราแนะนําก็ไม่เป็นไรบางคนแนะนำแล้วไม่ใช่แนะนําเฉยๆบังคับให้ทําตามด้วยถ้าไม่ทําตามก็โกรธอีกทะเลาะกับคนที่มาขอคําแนะนําอย่างนี้ไม่ถูกเนี่ย เราแนะนําได้เหมือนหมอนะี่ยคนไข้ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้ต้องทําต้องแก้ด้วยวิธีนั้นวิธีนี้แต่หมอก็ไม่มาบังคับนะก็ให้คนไข้ตัดสินใจเอาเองว่าจะเอาตามที่หมอแนะนําหรือไม่ ถ้าไม่แนะนำก็จะไปหาหมออื่นก็ไม่มีวไม่ว่ากันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใครมาขอคำแนะนำถ้าเรารู้วิธีแก้ที่ถูกต้องก็บอกได้แต่เราอย่าไปเสียใจถ้าเขาไม่ทำตามที่เราแนะนำอย่าไปโกรธเขาอย่าไปบังคับเขาให้ทำตามที่เราแนะนำมีคำถามค่ะกระผมชื่ออุ่นครับจะบวกพระหรือมีคู่ดีครับขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะค่ะ ก็ดีทั้งสองอย่างาก็เลือกเอามีคู่ก็ดีตอนตอน้นแตเดี๋ยวพอสักพักก็จะทะเลาะกันจะมีเรื่องมีราวกันหรือถ้าไม่มีเรื่องก็ถ้าเกิดเขาแยกทางไปเราก็จะเสียใจทุกใจถ้าเขาตายจากเราไปแต่ถ้ามาบวชพระมันก็ทุกข์ตอนต้นเพราะตอนอตบวชใหม่ๆนี้มันจะรู้สึกเหงารู้สึกว้าเวถ้าไม่ขยันปฏิบัต ควบคุมใจก็จะทุกข์ทรมานแล้วก็อาจจะบวชไปไม่รอดแต่ถ้าสามารถที่ควบคุมใจห้ามปลามจิตใจไม่ให้มีความอยากต่างๆได้การบวชก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะจะทำให้กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้อย่างถาวรและจะได้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไป มันก็ดีคนต่ละอย่างคนเราถึงเลือกสองทางกันบางคนก็ยังเลือกใช้ชีวิตคู่อยู่บางคนก็เลือกใช้ชีวิตเดียวแล้วแต่แล้วแต่จะลองเอาทางไหนดูก็ต้องลองดูเพราะาของนี้พูดยังไงก็ไม่เชื่ออยู่ดีอะลองให้ไปบวชเดี๋ยวก็ไปมีคู่อยู่ดีไม่อยากจะพูดให้เราเสียใจโอต้องดีมันทั้งสองทางอลย คำถามต่อไปจากคุณวันมิพาค่ะโยมมีความคิดที่อยากจะออกบวชแต่โยมสงสารคุณแม่ที่เริ่มแก่เท่าขาดคนเลี้ยงดูส่งเสียทำให้ไม่สามารถจะไปบวชด้วยความสบายใจโยมควรทำหน้าที่ของลูกในทางโลกไปแบบนี้พร้อมกับการปฏิบัติธรรมเรื่อยๆหรือเปล่าเจ้าคะก็ตามใจเราเน่ยอันไหนที่ทำให้เราสบายใจเราก็ทาไปตามความสบายใจของเราก็เรากัน เพราะถ้าไปทำอะไรที่ไม่สบายใจอาจจะทำไม่ได้อยู่ดีย็นตอนนี้ทำอย่างนี้ได้ก็ทำอย่างนี้ไปก่อน ต่อไปไม่แน่ต่อไปอาจจะมีดวงตาเห็นธรรมากขึ้นอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้ว่ายังไงแม่ก็ต้องตายอยู่ดีเราอยู่กับเธอเมื่อไม่อยู่กับเธอเธอก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนเดิมเราดูแบบดูแลแบบห่างๆได้ก็อาจจะเปลี่ยนใจว่าเห็นเราไปโบวถ ด, ดีกว่าเราจะได้ปฏิบัติได้มากขึ้นหรืออาจจะจ้างคนใครมาดูแล แ, แทนก็ได้ อันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตอนนี้เราคิดอย่างนี้เราก็ทําอย่างนี้ไปก่อนก็แล้วกันช่วงนี้คำถามหมดค่ะพระอาจารย์คำถามหมดเนอะมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีเดี๋ยวจะรอคําถามสักนาทีหนึ่งถ้าไม่มีเข้ามาเดี๋ยวก็จะได้ปิดประชุมคําถามค่ะพระอาจารย์ครับอยากถามว่า ตอนบวชพระทำผิดพระวินัยอาบัติสังฆาทิเศตน้าอสุจิเคลื่อนยังไม่ได้แก้ไขจะมีผลอะไรไหมครับถ้าหากไม่ได้แก้ไขก็เวลาบวชใหม่ก็ต้องไปแก้ไขฮะตอนนี้แก้ไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นพระแนละ้วแต่ถ้าเวลาเป็นพระถือว่าโทษนี้ยังไม่ได้ถูกลบลา้างเพราะฉนั้นก่อนที่จะไปบวชใหม่ก็ต้องไปปรึกษากับพระที่เราจะไปขอบวชว่าท่านจะ ว่าอย่างไรว่าเราเคยได้ทำผิดไว้ท่านจะรับระบทหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่ท่านแต่ไม่ควรจะปกปิดไว้ควรจะบอกให้เขารู้คำถามจากคุณนโมค่ะคารวะที่มีครูครองสามารถบรรลุโสดาบันไดไหมครับคือการบรรลุโสดาบันนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าการเป็นคารวะหรือเป็นพระ อยู่ที่ว่ามีปัญญามีศีลสมาธิปัญญาระดับของพระโสดาบันหรือไม่เหมือนกับเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนอายุครบยี่สิบถึงจะเข้ามาหาลัยได้เด็กบางคนอายุสิบห้าสอบเอ็นท่านก็เข้าได้ก็เรียนได้ท่านไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่สถานภาพแต่อยู่ที่สติปัญญาสมาธิ อยู่ที่ศีลว่ามีพอที่จะทำให้เป็นพระโสดาบันได้หรือไม่เห็นี้ถ้าอยากจะเป็นโสดาบันก็ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิระดับอัปปนาสมาธิแล้วมีปัญญาระดับขันห้าคือเห็นขันห้าว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางขันห้าได้ก็เป็นพระโสดาบันได้ คำถามต่อไปจากคุณอภิธานค่ะทำอย่างไรถึงจะเลิกเพ่งโทษคนอื่นได้ครับก็หันมาเพ่งตัวเราซิเพ่งโทษตัวเราเองทุกครั้งอย่าเพ่งโทษใครบอกเพ่งตัวเราดีกว่าคนอื่นดีชั่วไม่ได้ทำให้เราดีชั่วไปกับเขาเราดูดีความดีความชั่วของเราดีกว่าเพราะมันจะได้เปลี่ยนเราถ้าเราไม่ดีเราก็จะได้แก้ไขนะถ้าเราดีเราก็จะได้รักษาความดีไว้ต่อไป คำถามต่อไปจากคุณพนิพาค่ะหนูเพิ่งเสียแม่ที่รักมากไปตอนนี้ผ่านมาสี่เดือนแล้วค่ะจิตตกยังไม่หายสติไม่มีเลยค่ะลูกต้องเริ่มต้นทำอย่างไรคะก็มาตั้งสติใหม่หยุดความคิดถึงแม่พุโทโธพุโทโธเวลา จะคิดหรือไม่คิดก็ตามมาฝึกพุโทโธก่อนนะพยายามพุโทโธพุธโทโธควบคุมความคิดหยุดความคิดที่ไม่จำเป็นต่างๆคิดแต่เรื่องที่จำเป็นเท่านั้นเรื่องในปัจจุบันเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วก็อย่าไปคิดเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าไปคิดนะให้ใช้พุโทโธพุธโทโธหยุดมันแล้วความรู้สึกไม่ดีต่างๆก็จะค่อยๆจางหายไป คำถามต่อไปจากคุณเวที่ดีค่ะภาพจากนิมิตกับภาพจากสังขารสร้างขึ้นมาต่างกันอย่างไรครับก็ต่างกันที่ชื่อนั่นแหละมันก็เป็นภาพในในใจเราเหมือนกันเป็นมโนภาพก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะให้ความสมําคัญว่ามันจะมาเป็นอุปสรรคต่อการทําจิตให้สงบได้ถ้าเราอยู่ในระดับสมาธิเราไม่ควรที่จะไปสนใจกับภาพต่างๆ ควรจะให้ความสำคัญกับความสงบอย่าไปเวลาพุโทโธก็อยู่พุโทโธไปมีภาพอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้ตามเห็นเพราะมันจะเป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบส่วนถ้าเราอยู่ขั้นวิปัสสนาแล้วภาพนิมิตบางภาพก็อาจจะเป็นประโยชน์เช่นถ้าเราเห็นโครงกระดูกเห็นอวัยวะต่างๆของร่างกายเห็นซากศพนี้เราก็สามารถเอามาทาเป็นวิปัสสนาได้ เอามาสอนใจให้เห็นความจริงของร่างกายได้แต่ถ้ายังไม่ได้อยู่ขั้นวิปัสสนาอย่าไปสนใจกับพวกนิมิตต่างๆเพราะอาจจะมีนิมิตที่ทำให้เราหนึ่งนิมิตมันจะทำให้เราเข้าสู่ความสงบไม่ได้สองถ้าไปเจอนิมิตที่น่ากลัวเราอาจจะไม่กล้านั่งสมาธิต่อไปก็ได้แต่ถ้าเรามีอยู่กับพุโทโธเราก็จะเฉยได้ มีภาพหน้าดูหน้าชมหรือหน้ากลัวเราก็อย่าไปสนใจพุโทโธพุโทโธของเราไปแล้วภาพต่างๆเหล่านะั้นมันก็จะหายไปคำถามต่อไปจากคุณสุกัญญาค่ะขอความเมตตาถามเจ้าค่ะตอนนี้ตอนนั่งสมาธิจนเกิดทุกขเวทนาขึ้นเห็นใจที่ร้อนและรู้สึกทรมานมากเจ้าค่ะควรทำใจอย่างไรเจ้าคะ ก็ต้องพยายามเร่งสติให้มีมากขึ้นพุโทโธพุโทโธให้มากขึ้นอย่าไปคิดถึงความเจ็บปวดของร่างกายพยายามอยู่กับคำบริกรรมไปให้ยับให้มันขาดใจตายไปกับคาบริกรรมเลยแล้วใจจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดทางร่างกาย สิไม่ดีใจก็จะสงบแล้วความเจ็บก็อาจจะหายไปด้วยก็ได้แล้วเราจะดีใจว่าโอ้เรารู้จักวิธีผ่านทุกขเวทนาแล้วผ่านด้วยสตินี่เองผ่านด้วยการบริกรรมคำบริกรรมหมนแล้วเลยโอเคหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเอสถิุ